มาขึ้นมงคลข้อที่สิบห้เลยนะทานันจะท ร, รมัจริย น, นะยาตการันจะสังขโหอนวัชานิกรรมมานิเอต ม, มังคลามุตต ม, มังทานันจะชื่อว่าทานเพราะเขาให้ด้วยวัตถุนี้หมายความว่าเจตนาที่ให้วัตถุ น, นะอธิบายว่าเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนให้แก่ผู้อื่น น, นะก็คือการเสียสละทรัพย์ของตนไปอันนี้ชื่อว่าทานนะการมอบวัตถุให้ มอบวัตถุทั้งหลายให้เรียกว่าทานส่วนการประพฤติ ธ, ธรรมก็คือประพฤติที่ไม่ประสาทศากธรรมชื่อว่าธรรมจริยาส่วนการสงเคราะห์ญาติคือที่รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกเราเนี่ยนะเป็นญาติเราส่วนอนวัวชานิกรรมมานิก็คือการงานที่ไม่มีโทษใครใครติเตียนไม่ได้อันนี้เป็นการขยายศัพท์ทีนี้มาดูขยายเนื้อความว่า เจตนาเป็นเหตุบริจาคทานณวัตถุสิบมีข้าวเป็นต้นซึ่งมีความรู้ดีเป็นหัวหน้าคือมีปัญญานําหน้าเฉพาะผู้อื่นอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองบอกว่าหรือความไม่โลภที่ประกอบด้วยจาระฆ์เจตนาอันนี้ก็เชื่อว่าทานจริงอยู่บุคคลย่อมมอบให้วัตถุนั้นแก่ผู้อื่นด้วยความไม่โลภพราะองค์ธรรมของทานเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างคําว่าทานหมายถึงเจตนาในที่หนึ่งในที่สองอะโลพะ แบ่งเป็นสองอย่างตัวเจตนาที่คิดให้บริจาคอย่างหนึ่งกับตัวอะโลพาที่ไม่ติดไม่ข้องบริจาคได้ให้ได้อันนั้นก็ชื่อว่าทานนั้นวัตถุที่บริจาคนี่สามารถอย่างเช่นตรงนี้ยกทานวัตถุ10บอย่างตามพระสูตรมาเช่นให้ข้าวให้น้ำนะให้ผ้า อ, นนอย่างกิจกรรมที่เรามาทํากันเนี่ยตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้ทุกข้อเลยใช่ไหมให้ข้าวให้น้ํา ให้ผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟที่นอนที่นอนมีใครให้ไหมผู้ ก, การให้ทั้งหลายหลังอ่ะอ น, นะผู้ ก, การให้ที่นอนทั้งหลายหลังนะก็คนอื่นก็เช่นให้ยานพาหนะก็คือกลุ่มให้ที่นั่งที่นอนอ่ะนะก็ยังให้ประทีปโคมไฟอีกจุดทูบจุดเทีย น, นยก็นับว่าให้กันนั้นก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่เจริญกุศลกันอย่างมาก เมื่อชาวนี่ก็ดูให้ชีวิตกันเป็นทานอนะนะเกลียวเลยนะไปบริจาคนะนะข้างๆกุฏินั่นแหละโอ้โหเสียงระงมไปหมดเลยบริจาคทานให้ชีวิตเป็นทานปล่อยอะไรบ้างปูปูปล่อยปูนกปลาเต่ากรบด้วยน ะ, ะนะก็โอ้อบายภูมิเต็มไปหมดเลยครับนี้ <laughs> <laughs> ก็ดีแล้วอนุโมทนานเลยนะให้ชีวิตเป็นทานนะทำไม่ให้เขาเขาก็ตายนนะก็ให้ชีวิตเป็นทาน อ็ให้จริงงรี ด, ด้วยนะนะปลวกไม่ต้องไปบริจาคไวแถวนั้นก็ได้ะนะมดเขาไม่มีขายนนี้ไม่ต้องบริจาคแตก่ก็นับว่าดีแล้วนะอนุมโมทนาด้วยนะการบริจาคทาน่นนะให้ให้พรหมไหนอ๋อพรหมที่ปูพระาธาตุใช่ไหมเจริญพรก็อันนั้นก็ชื่อว่าให้โพธพโพธพารมเป็นทานะนะ คือถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยกล่าวไปเนี่ยเรียกว่ากล่าวตามในพระสูตรถ้ากล่าวตามในพระพิธรรมก็ให้ปลารบสีเป็นทานใช่ไหมปลารบสิ่งสวยๆเป็นทานปลารบเสียงเพราะๆเป็นทานเช่นให้ระคังมันก่อนโยมเขาเขาให้ระคังให้ท่านไปแขวนทีมั้ ง, งั้นจะได้ดังปังปงปังปังปังปงเนี่ยนคุณทารินีก็ให้ไปแขวนไว้หน้ากุฏิอันหนึ่งแล้นั่นไะ นั้นผู้ที่ก็บางคนก็ชอบให้เสียงเป็นทานบางพวกก็ให้กลิ่นเป็นทานเลยใช่ไหมพ่นสเปรย์กันใหญ่เลยน้ําอบพร้อมน้ําหอมไทยเนี่ยนะก็ไปพ่นกันใหญ่เลยบอกว่ายัางไงยังไงก็พ่นใส่ดอกไม้ก็แล้วกันถ้าไปพ่นใส่เจดีเผื่อมันจะไปทําสนิมอะไรเข้าจะลําบากขอเข้าอี ก, ก น, นะังก็พ่นใส่ดอกไม้สายอะไรให้มันเหี่ยวมันเฉาไปด้วยกันตรงนั้นแหละนะควรจะรดใส่ดอกไม้ดีทีนี้ต่อไปก็ให้รดเป็นทานเนี่ยนะให้รสชาตเป็นทานเนี่ยนะแจกลูกอมกันเยอะเลยใช่ไหม อันนั้นก็ให้รถเป็นทานปลารบพวกรถทั้งหลายระสารมเนี่ยนะบางพลก็ให้โพธพารลมเป็นทานก็พวกผ้าทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ปรารบความอุ่นเป็นต้นเรียกว่าให้โพธพะเป็นทานแล้วก็ให้ทำเป็นทานเนี่ยนะธรรมทานนี่หมายถึงอะไรให้ทําเป็นทานเคยยกน้ำไปให้ใครดื่มไหมนั่นแหละน้ําอาโปทาตเนี่ยนะอาโปทาตุนี่นับเป็นธรรมะนะพ่อไม่ใช่รูปเสียงเปลี่ยนรถโพธพะอันเป็นธรรมะให้โอชาณนะปรารบโอชาเนี่ย ปราลบเอออาหารนีมีคุณค่ามีประโยชน์พวกนี้ก็ให้ทาเป็นทานทเรียกว่าธรรมทานแต่นี้ธรรมทานที่เป็นธรรมายตนะรรตนะธรรมายตนะอย่างหนึ่งกับที่เป็นพระธรรมคำสอนเดี๋ยวจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งมันเจตนาที่ให้ทานหรืออโลพะที่มอบให้บริจาคให้ที่ชื่อว่าทานเนี่ยเพราะเขาให้ได้ด้วยวัตถุนี้แต่ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลพิเศษ ที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้ามีความเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากรักและพอใจเป็นต้นนั้นคนที่มักให้ชอบให้คนเหล่านี้เนี่ยนะสังคมเขาไม่ค่อยรังเกียจถ้าโดยรวมๆใช่ไหมต่างคนที่คนจะไปขอเอาอย่างเดียวเนี่ยนะสังคมเขาก็รังเกียจเพราะฉะนั้นนักให้ทานเนี่ยไปที่ไหนคนก็จะต้อนรับและเชื้อเชิญมันคนทั้งหลายเขานึกถึงเขาก็พอใจเขาก็ภูมิใจ แต่ถ้าคนที่ไปไปเอาอย่างเดียวเนี่ยนะก็นับว่าเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเขาค่อนข้างรังเกียจเนี่ยนะทุกแห่งแม้กระทั่งที่ที่เป็นนักเอาเลยนะเห็นแก่ตัวที่สุดจะเอาแต่โดยฝ่ายตนส่วนเดียวเนี่ยผู้นี้ก็เป็นที่รังเกียจของประชุมชนส่วนผู้ที่ให้เนี่ยก็ตรงกันข้ามปรับเป็นที่รักเป็นที่พอใจของประชุมชนในเรื่องทานนี้พึงระลึกถึงสู่ทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนสีห์ทานนบดีผู้เป็นทายก ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชนเป็นอันมากเนี่ยนะย่อมย่อมเป็นที่พอใจเหมือนกันแท้แล้วก็เป็นที่ยำเกรงของชนเป็นอันมากอย่างง่ายๆแต่ถ้าใครมาบริจาคอะไรก็ตามให้ให้เกี่ยวกับเราที่กําลังร่วมศึกษาเราก็บุคคลนั้นก็น่าเคารพยำเกรงทันทีเลยใช่ไหมจะเป็นที่พอใจของประชุมชนในที่นั้นๆทันทีเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่เขาเคารพเจ้านายเนี่ยเพราะอะไร เพราะเจ้านายเขาให้นะถ้าเจ้านายจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไม่มีใครไปสนใจเท่าไหรหรอกเพราะฉะนั้นคนที่ที่คนยกย่องจริงๆคือผู้ที่ให้ น, นะถ้าใครที่ยิ่งจะเอายิ่งจะขอจะเอาอย่างเดียวพวกนั้นไม่ค่อยมีเดทมีอํานาจอะไรกับเขาหรอกไปต่อรองอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าพวกที่เป็นนักให้โดยส่วนเดียวเนี่ยก็มีอํานาจมากมีบุญมากเชื่อไม่ว่ามหาพูดในโลกนี่นะมีสําหรับคนจะให้แต่ใครคิดจะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ค่อยมีอํานาจในมหาพูดอะไรหรอก เช่นใครจะเอาจะเอาได้ผลไม้มาเยอะๆก็กินแต่ของเสียๆนั่นแหละมันจะเอาเก็บไว้โดยส่วนเดียวกินก็ไม่ทันเขามีในอย่างพระบางรูปเนี่ยนะเขาให้มาก็เอาเอาเอาเอ า, เอาเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันกา๊าซอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณเลยนะเก็บไว้จนมันปิ๊บมันถูกหมดยกทีนี่ก็โหกลิ่นตลบอบอวนไปหมดถังสังกะสนนนไม่รู้เก็บไว้ทําอะไรนะนะเก็บไว้าจนกูติมันจะล้นไปทั้งหมดเนี่ยนะ จนปลวกมันจะขึ้นเสียหายหมดเดี๋วไฟไหม้ลุกท่วมไปหมดอันนั้นก็เกินไปแล้วก็พระเหล่านี้ที่ไม่ยอมให้แบบนี้นะมีอํานาจใหญ่ขนาดไหนพระภิกษุในวัดไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยนะพระก็ลักษณะเดียวกันทั้งแม้กระทั่งคารวาะก็เหมือนกันนะพ่อไหนพ่อแม่คนไหนที่ตรณีมากๆเนี่ยถามมาลูกชอบไหมลูกทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรักนีนะไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่สักเท่าไหร่ดีไมด่ดีให้ลูกทําบาปขโมยของพ่อของแม่ซะอีกเนี่ยนะนะ ทานนี่นะับว่ามีประโยชน์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจสังเกตดูนะใครที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะจะสนิทกับพ่อแม่คนที่ให้สตังเราบ่อยที่สุดแในคนไหนที่ไม่ค่อยให้เราไม่ค่อยสนิทกับคนนั้นสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ใครให้เรามากเราก็จะสนิทกับคนนั้นค่อนข้างมากผู้อื่นก็เหมือนกันที่คนคนอื่นเข้ามาสนิทกับเราก็เนื่องจากว่าเราได้ให้ให้ของเขาได้ให้ให้เขาไปทีนี้ทานนั้นถ้าจะแบ่งก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคืออมิสทานกับ รรมทานในทานสองอย่างนั้นอมิสถานก็เหมือนดังที่กล่าวไปแล้วใช่มคือการบริจาคตามพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมพระสูตรก็ให้อะไรข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟยานคือรองเท้าเป็นต้นนีน่อันนี้เรียกว่าให้ตามพระสูตรถ้าให้ตามพระวินัยก็คือให้ผ้าผ้าก็คือจีวรน่นะ ให้อาหารเรียกว่าบิณทบาทให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะให้ยาทั้งหลายเรียกว่าเภสัชบริขารถ้าให้แบบพระพิธรมก็ปาราบรูปปาราเสียงปรารรกลิน่นปารรรสปราบ ร, ราบโพธาภะปรารรธรรมะธรรมรมเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าให้วัตถุเป็นทานส่วนธรรมทานก็คือการแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว เอาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละมาแสดงต่ออันนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์และสุขในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเชื่อว่าธรรมทานคือการให้แล้วเขาได้รับประโยชน์เนี่ยนะาการให้แบบนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานอันหนึ่งบรรดาทานทั้งสองอย่างนั้นธรรมทานนี้เลิศนะเรียกว่าเลิศกว่าอามิสทานคือให้อมิสเป็นทานกับ ให้ตัวความรู้ความเข้าใจเป็นฐานนะให้ความรู้เป็นฐานนั้นมีอนิสงส์มากกว่าดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัมมาระสังธรรมสัพพารสังธรรมรโสชินาติสัพพารติงธรรมรติชินาติตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงเหตุผลใดทาไมจึงกล่าวว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าถ้าผู้ที่ได้รับธรรมทานแล้วถ้าได้รับธรรมทานนะเขาจะรู้วิบากแห่งการให้ทานใช่ไมเขาจะรู้วิบากแห่งการรักษาศีลเขาจะรู้วิบากแห่งการเจริญกุศลอื่น อย่างอนาถาบินทิกระเศรษฐีเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมก่อนจะทําบุญขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ทํานางวิสาขาเป็นต้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมเสียก่อนจะทากุศลเหล่านั้นไหมก็ไม่ทำํำนั้นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เจริญกุศลอย่างอื่นอีกเป็นอันมากนั้นธรรมทานนั้นจึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากชนะการให้ทั้งปวงแต่ก็นับว่าให้ยากอันให้ธรรมทานให้ยากหรือให้ง่ายคุณราวัน อ๋อแล้วแต่บุคคลโอ้เรื่องนี้แยกตอบวิพัฒชวิพัชกรณียปัญหาปัญหานี้ต้องแยกตอบมกันก็ธรรมทานนะแต่ถ้าผู้ที่ให้ก็มีองค์ประกอบนะที่จะให้เพราะงั้นการทำกุศลทั้งหลายก็องค์ประกอบนะสำคัญที่สุดงั้นถ้าได้องค์ประกอบได้ก็ดีเพราะว่าการให้ทำเป็นทานเนี่ยนะ ทีนี้สําคัญเนี่ยนะที่เราจะรับจากผู้อื่นก็คือรับธรรมทานจากผู้อื่นใช่ไหมที่สําคัญต่อมาพระองค์แสดงว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงหมายความว่าเป็นความยอดเยี่ยมที่ ท, ที่ที่ควรแก่การบริโภคนะเป็นโอชาอันยอดเยี่ยมก็คือโอชาแห่งธรรมธรรมในที่นี้เน้นไปที่อะไรโล ก, กุตระธรรมนะถ้าอย่างเพลาที่สุดเลยคือกุศลกรรมบท10สูงขึ้นไปกว่านั้นก็สมถาวิปัสสนาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มรรคผลนิพพาน เพราะนันความยินดีในธรรมเหล่านี้ชนะรสทั้งปวงถ้ายินดีในธรรมอย่างนี้ก็ชนะความยินดีทั้งปวงส่วนที่สำคัญสาระที่สุดะนะถ้าชนะตัญหาคือสมุทัยสัตว์ชนะวัตตะทุกข์ทั้งปวงะนะชนะวัตตะเลยนะถ้าละตัญหาได้ทำลายตัญหาได้วั ต, ตะในภูมิสามก็เป็นอันจบเพราะฉะนั้นสิ้นทุกสักทีหนึ่งเลยนะ ก็ใครที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบอกว่าตั้งกันนี้ไปตันหากับชันจะขอเป็นศัตรูกันตลอดการอย่างนั้นนะใครใครตั้งความปรารถนามางี้ยกมือขึ้นหน่อยที่ไม่กล้ายกเนาะย้ำตูยกเท่าไหนันเลยเอายอมเอไม่ค่อยยกสูงเลยนะอย่างอื่นยกสูงมัากตั้งคือว่ามันน่าเสียดายนะตั้งอันนี้ต่อไปนะฉันกับตันหานี่จะเป็นศัตรูกันงนั้นนะ อก็ให้ให้ตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้บ้างะนะว่าตันหาเขาบอกว่าชนะตันหาชนะทุกทั้งปวงนะหรือสิ้นตันหาชนะทุกทั้งปวงถ้าสยบให้ตันหาจักรับทุกทั้งปวงประดังเข้ามาแต่ความทุกข์รับหมดเลยนะเพรา ะ, ะตันหาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทางธรรมะถือว่าอะไรที่มันน่ายินดีนะสิ่งเหล่านั้นจะนามาซึ่งทุกข์ในภายหลัง อันถ้าหากว่าชนะตันหาได้ก็สิ้นทุกได้อันถ้าตั้งความปรารถนาพราะนิพานก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาเพื่อสิ้นตันหาด้วยเนี่ยนะก็ด้วยบุญนี้ด้วยการบูชาดอกไม้ของหอมนี้ขอข้าพระเจ้าจงกำจัดฉันทราคะโดยประการทั้งปวงอย่างก็ได้นะก็ควรตั้งนะเป็นอีกวัยพจน์หนึ่งของการตั้งความปรารถนานิพานเนี่ยนะเพราะความปรารถนานิพานโดยใช้คําว่าขอสิ้นตันหาก็ได้ เพราะความสิ้นตันหานั่นแหละก็คือตันหักขยะเป็นชื่อของพระนิพพานโทศักขยะก็เป็นชื่อของพระนิพพานโมหักขยะก็เป็นชื่อของพระนิพพานมันความสิ้นตันหาหมายถึงพระนิพพานเนี่ยชนะวัตถทุก์ทั้งมวลมันทานนี่ก็นับว่าเป็นมงคลนะทั้งธรรมทานและอมิสทานนั้นอมิสทานก็คือเน้นที่ให้มหาพูดเป็นทานนะนะคิดง่ายๆว่าถ้าให้มหาพูดเป็นทาน เป็นอมิสทานถ้าให้กุศลเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทาน ก, ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็เหมือนกับบูชาใช่ไหมอมิสบูชากับปฏิบัติบูชาถ้าอมิสบูชาก็เน้นเอามหาพูตเป็นเครื่องบูชาเรียกว่าอมิสบูชาถ้าปฏบิบัติบูชาก็เน้นไปที่ไหนก็เอากุศลเป็นเครื่องบูชาสการะท่านก็แบ่งบูชาเป็นสองอย่างด้วยกัน ที่ส่วนธรรมทานนี่ที่พระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณทั้งหลายะนะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้ทราบซึ้งในอัดเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูความภิกษุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่เรียนมาโดยพิสดารแก่คนอื่นๆโดยประการใดๆภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ทราบซึ้งอัดและทราบซึ้งธรรมในธรรมนั้นโดยประการนั้นๆอย่างนี้ เพราะฉะนั้นผู้ให้ผู้แสดงก็ทราบซึ่งในอัตธรรมผู้ฟังก็ทราบซึ่งในอัตและธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ทราบซึ่งในอัตและธรรมและก็เป็นประทับฐานเหตุใกล้แห่งคุณชั้นสูงเนี่ยนะดังที่เรากล่าวว่าบุคคลทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่เข้าเจริญงอกงามเนื่องจากเขารับธรรมทานจากพระพุทธเจ้าจากพระสาวกทั้งหลายนั้นพระศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมทาน นั่นก็เกี่ยวกับเรื่องทานนี่ก็คงผ่านนะมาขึ้นธรรมจริยาคําว่าธรรมจริยาก็คือการประพฤติกุศลกรรมบทสิบชื่อว่าธรรมจริยาบางแห่งก็เรียกว่าธรรมจริยาสมจริยาเนี่ยสม่ําเสมอด้วยนะสม่ําเสมอหรือธรรมสมะนี่ก็คือกลุ่มเดียวกันเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพิ่โสทั้งหลายขออภัาายดูก่อนเครือหาบดีการประพฤติธรรม ประพฤติสม่ำเสมอประพฤติธรรมก็คือธรรมจริยาประพฤติสม่ำเสมอก็คือสมจริยาสมะก็คือสม่ำเสมอนะมีสมอย่างสามอย่างมีอะไรบ้างความประพฤติเป็นธรรมทางกายทางวาจาและทางใจความประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจดงนั้นการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจก็คือประพฤติกุศลกรรมบท10ประการนั่นเอง ก็การประพฤติ ธ, ธรรมคือกุศลธรรมมบท10ประการเนี่ยเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุเข้าถึงโลกสวรรค์สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนเครือข่าบดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอสัตว์บางเหล่าในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์นั่นก็กุศลเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งความพ้นจากอบายนะ มันเห็นสัตว์ในอบายต้องระลึกเอาไว้เสมอนะว่าเพราะสัตว์เหล่านี้ไม่ประพฤติธรรมและประพฤติสม่ำเสมอทีนี้ถ้าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะว่าที่เขาเป็นมนุษย์เพราะประพฤติธรรมและประพฤติสม่ำเสมออันนี้เป็นการสาวไปหาเหตุในอดีตทีนี้ถ้ากําลังดูเหตุในปัจจุบันล่ะถ้าประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมออนาคตต่อไปก็อบายใช่ไหมถ้าประพฤติเป็นธรรมประพฤติสม่ำเสมอต่อไปก็สุขติ พันการประพฤติธรรมเนี่ยนะในกุศลกรรมาบทสิบหรือประพฤติสุจริญทางกายประพฤติสุจริญทางวาจาประพฤติสุจริตทางใจอันนี้เป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะก็บางกลุ่มเขาบอกว่าโอ้ทําไมท่านขายแต่เรื่องสวรรค์เรื่องนรก ง, งันไม่ได้ขายแต่อยาตายก็แล้วกันนะถ้าถ้าอยู่ได้นานๆก็ว่าไปเถอะแต่นี่มันอีกไม่นานแล้วเนี่ยนะเดี๋ย สวรรค์มีจริงไม่มีจริงหรือนรกมีจริงไม่มีจริงก็อีกไม่นานก็จะรู้กันอีกนานไหมคุณชุสี <c oughs> นานว่า <c oughs> ไม่นานนะเย็นพานก็แต่ละคนเนี่ยนะที่แต่ละคนนี่จะไม่เท่ากันใช่ไหมจริงจริงก็ทุกคนนั่งอยู่นักโทษประหารกันทุกคนนะ <c oughs> ล้วดูว่าเขาจะเรียกประหารในตอนไหนและประหารที่ใดเวลาใดแล้วใช้อาวุธชนิดใดเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีประหารที่หลากหลายมากนะแต่ละคนเนี่ยนักโทษประหารดู บางคนนี่ถูกตัดหัวบางคนนี่ไม่ได้ต้องเอาเอาหัวนี่ไปไปรองล้อรถสิบล้อเนี่ยจึงจะได้นะเขามีตำรวจจราจารบางกลุ่มเนี่ยนะถูกรถลอ้อรถสิบล้อเนี่ยนะทับตะแบตะแต่หมดแต่นบางคำก็ถูกประหารแบบเรียกว่าล้อมันทับครึ่งตัวอย่างง้บางพวกก็ต้องแบบนั่นะต้องถูกทิ่มถูกแทง บางพวกก็ถูกดาบถูกหอกถูกปืนน่ยนะก็สารพัดน่ยนะฮะแต่แต่รู้ว่าทุกคนนี้นักโทษประหารหมดเลยบางพวกก็ต้องลักษณะพวกดมยาสลบใช่ไหมบางพวกก็ถูกอาวุธปืนแต่ที่แน่ๆว่าตายเหมือนกันหมดอนะมันอย่าไปดีใจมากเลยว่าเรานิเสเรีชนที่ไหนได้นักโทษประหารกันทั้งนั้นแหละทีนี้ก็แต่ละคนใครจะไปก่อนไปหลังก็แล้วแต่ปัจจัยอื่นๆอีกนะแล้วแต่ปัจจัยอื่นๆอีกถ้าโยคะวิบัติก็เร็วหน่อย ปโยคสมบัติก็อาจจะช้าหน่อยแต่ขณะเดียวกันก็เนื่องด้วยกรรมด้วยเนื่องด้วยจิตอุตุและอาหารแต่ที่เหมือนกันหมดก็คือไปหาที่เกิดใหม่กันซะส่วนใหญ่ที่เรามาเรียนธรรมะอยู่ทุกวันก็เพราะว่าจะเผื่อจะเลิกเกิดได้สักทีหนึ่งนะจะพ้นการเกิดสักทีหนึ่งเพราะว่ากล่าวโดยตรงๆทุกคนเนี่ยหาที่เกิดกันนะท่านใช้คําว่าสัมภเวสีอนนะภูตะหมายถึงพผ้าหัน์ สัมภเวสีเนี่ยพวกสแสวงหาที่เกิดก็คือปุตุชนและพระเสขขาทั้งหลายอันที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราสแสวงหาที่เกิดอยู่กันนะตอนนี้ดูว่าจะไปที่ไหนดีนะเกิดในขันเกิดในไครเกิดในเท่าถ้าไกลหรือโอ ป, ปปาติกะก็ว่าไป น, นะการมมาพบรูปประพบหรืออารูปประพบแต่ที่เห็นเห็นเนี่ยรูปประพบอารูปประพบนี่อีกนาน น, นะกวนๆอยู่ในการมมาพบนี่แหละก็ดูว่าไปหาที่เกิดไปหาที่รับวิบาก มีพระศาสนาศาสนานี้ศาสนาเดียวที่ต้องการให้พ้นจากกรรมและวิบากเนี่ยต้องการว่าบอกว่าพอสักทีเหมือนกันเถอะพอสักทีแต่เชื่อไหมว่าออกยากที่สุดเนี่ยออกยากที่สุดยิ่งเหมือนกับว่าถ้าเดินอยู่คนเดียวด้วยนะหาทางออกจากตัวเองดูสิออกหาทางออกจากตัวเองอะนะออกยากมากๆเลยนะถ้าไม่ศึกษาพระธรรมให้ดีๆนะนึกไม่ออกเลยว่าหาทางออกจากชีวิตได้ยังไง เช่นนี้ออกจากการเห็นนี่ออกได้ยังไงออกจากการได้ยินออกจากการนึกคิดแม้กระทั่งแบบโลกโลกเลยนะอย่างเช่นออกจากทุกขกายญวิญญาณนี่ออกง่ายไหมนะกระบวนการรักษาไอ้ทุกขกายญวิญญาณในโลกนี้สารพัดใช่ไหมแล้วนี่ถ้าออกจากร่างกายนี่ยังยากไอ้ทุกบางส่วนนะถ้าออกจากทั้งหมด่ะแล้วออกจากส่วนของนามธรรมนะนั้นออกยากขนาดไหนแต่ก็ถึงยังไม่ได้ออกขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็ออกจากอบายก่อนก็ยังดีนะ ยังไงยังไงก็อย่าลืมปิดอบายซะด้วยนะธรรมจรรยานั้นจึงเป็นมองคนมันผู้ที่ประพฤติธรรมเพื่อออกจากอบายทั้งหลายจึงเป็นมองคลนี่นะถ้าเห็นฝาฝาแล้วออกจากอบายได้ยังไงเนี่ยเนีเห็นไหมเอา้ามีฝาเป็นอารมณะปัจจัยก่อนตายได้ไหมไ ด, ได้แล้วจะออกจากอบายได้ยังไง เพราะว่าไม่แน่นะเพลินอยู่ในนั้นอาจจะไปเกาะอยู่ข้างๆฝ้านะั่นแหละลําบากนะ่ะแล้วจะออกจากฝาได้ยังไงอ่ะคิดยังไงจึงจะไปสู่สุคติเนี่ยนอนนั่นแหละคือคือที่สําคัญที่สุดถ้าเรามองเห็นฝาแล้วเห็นกุศลกรรมบทสิบไม่ได้นะอันตรายมากเลยนะกล่าวตรงๆ ต, ต, ตามสภาวะนับว่าอันตรายมากเลยถ้าเห็นอะไรแล้วเลือ่อลึกถึงกุศลกรรมบทสิบไม่ได้นั่นนะหรือเอาไหมแล้วแต่มันจะฝันไปมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมัน ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกษาธรรมะก็ได้มั้งแต่นี้ไม่นะก็คงธรรมัจริยาเนี่ยหมันระลึกเถอะหมันระลึกเอาไว้เสมอว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องต้องประพฤติเป็นกุศลกรรมบดเนี่ยนะกุศลกรรมบดอันนี้รักษาอบายนะยังไม่ได้นิพพานอะไรหรอกเด็ดท่าบดังที่กล่าวไปนะอีกนาหอีกน้อนแบบนั้นเถอะอีกน้อนนะแต่ว่าสําคัญสําคัญที่สุดเนี่ยพยายามที่จะระลึกเห็นอะไรก็ได้แล้วระลึกถึงกุศลกรรมบดสิเนี่ยนะ มันเห็นหน้าใครคนข้างๆก็กรรม บ, บท10บนะกรรม บ, บท10บก็ระลึเลกเอาไวเ้เถอเนี่ยประพฤติอันนี้แหละเป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลทีนี้มงคลข้อต่อต่อไปนะมงคลข้อที่ส7เจดคือยาตการันจะสังกะโหการสงเคราะห์ญาติหมายถึงชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือข้างบิดาจนเจ็ดชั่วปูย่า ชื่อว่ า, ายอดทำไมนี้ก็เรียกว่านามสกุลเดียวกันเครือญาติเดียวกันสายเลือดเดียวกันเป็นต้นนั่นเองการสงเคราะห์ญาติเหล่านั้นผู้ถูกความเสื่อมโภคะถูกความเสื่อมเพราะเจ็บป่วยครอบงำแล้วมาหาตนด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มและข้าวเปลือกเป็นต้นตามกําลังตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นปัจจุบันมีการสรรเสริญเป็นต้นและที่เป็นไปในภายหน้ามีสุขคติเป็นต้น ก็สงเคราะห์ญาต่อเนะืเพราะว่าถ้าญาติมาเพิ่งญาติแล้วญาติไม่สงเคราะห์แล้วใครจักสงเคราะห์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสงเคราะห์ไอ้ญาติมาขอความช่วยเหลือก็เกินกว่าที่เขาจะให้ได้อันนั้นก็เกินไปนะนะ ก, ก็สงเคราะห์กันในพอที่ส่วนจะสงเคราะห์ได้แต่ก็ไม่ใช่เพิกเฉยเมินเฉยซะจนนะแต่ว่าอยู่ๆแล้วมาขอแหมมาขออะไรที่มันเกินไปนะช่วยสงเคราะห์หน่อยยืมรถหน่อยอย่างเงี้ยนะ ทางนี้เขาก็มีใช้อยู่คันเดียวใช่ไหมอีกเจ้าญาติมายืมรถไปใช้อะแ น, น่นหาเรื่องทะเลาะกันแน่นอนอย่างนั้นแต่ว่ามันว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะที่พอช่วยเหลือกันได้และคนที่ที่เป็นญาติที่ไปขอความช่วยเหลือญาติก็ก็ต้องรู้ดูด้วยว่าเขาช่วยเราได้ไหมเป็นไปได้ไหมแล้วก็ญาติทั้งหลายที่สงเคราะห์กันก็สําคัญที่สุดนะนะต้องไม่เสียใจในภายหลังนะการสงเคราะห์การช่วยเหลือเขา แล้วก็สงเคราะห์แค่ไหนเราจึงจักสบายใจเนี่ยนะควรระลึกถึงตรงนั้นเป็นประมาณการช่วยเหลือเข้าคนอื่นเนี่ยนะเราต้องคิดว่าแค่ไหนจึงจะกเหมาะสมอันนะแค่ไหนจึงจักสมควรั้นการสงเคราะห์ญาตินี่ก็อย่างผู้การเนี่ยที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่สงเคราะห์ญาติอย่างไร ผมอยากจะให้ถามพี่ๆน้องๆดูว่าผมเมื่อส่งเคราะห์ญาติถ้าแค่ไหนอืมป้านาคออกมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าผู้การส่งเคราะห์ญาติทั้งหลายอย่างไรบ้างอ่ะนะ<อ>ก็ไม่อยู่ข้างหล<อ>ังนะจ<อ>๊ะพ่อพี่นาคลองหน่อยที่จะพูดตัวเองมันก็น่าเกลียดนะ